อัญเชิญพระวจนะหัวข้อพิจารณาตนเองพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมสองโครินต์บทที่13ข้อสถึงข้อ8ความว่าเพราะถึงแม้ว่าพระองค์ทรงถูกตรึงเพราะทรงอ่อนพระองค์ยังทรงพระชนอยู่เพราะฤทธิเดชของพระเจ้าเพราะว่าเราก็อ่อนด้วยกันกับพระองค์แต่เรามีชีวิตเป็นอยู่กับพระองค์พระฤทธิเดชของพระเจ้า ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชนะสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สํานึกหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชนะสูตรข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงรู้ว่าเรามิได้เป็นคนที่แพ้การชนะสูตรเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่กระทําความชั่วใดๆมิใช่ว่าเราจะให้ ปรากฏว่าเราชนะการชนะสูตรแต่เพื่อท่านจะประพฤติเป็นที่ชอบถึงแม้จะดูเหมือนเราเองแพ้การชนะสูตรเพราะว่าเราจะกระทําสิ่งใดที่ขัดกับความจริงไม่ได้ได้แต่ทําเพื่อความจริงเท่านั้นพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก็คือพิจารณาตัวเองหรือสํารวจตัวเอง การพิจารณาตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการที่เราจะเติบโตและเจริญในองค์พระผู้เป็นเจ้าคําว่าเจริญในธรรมหรือคําว่ามีชีวิตที่ชอบธรรมมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้รับการชําระให้บริสุทธิ์นั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากพื้นฐานความคิดพื้นฐานทศัศนคติแห่งการสํารวจตัวเองตลอดเวลาในเดือนเมษายนในปี1937นะครับ เมื่อกองทหารมุสโซรินีได้บุกเข้ามาแล้วก็บังคับให้มิชชันนารีทั้งหลายที่รับใช้อยู่ในเมืองวาลนาโมออกจากเอธิโอเปียนะครับพี่น้องมิชชันนารีที่รับใช้พระเจ้าอยู่ต้องลาจากผู้ที่กลับใจเบนคริสเตียนในเวลานั้นนะครับ1937เนี่ยมีอยู่48คนที่กลับใจใหม่หลังจากนั้นนะครับ4ปี เราพบว่าก่อนหน้านั้นนะฮะ48คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเหลือแต่พระกัมพีซึ่งมีพระธรรมมารโกและก็พระกัมพีอีกไม่กี่ตอนเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณเท่านั้นและตอนนั้นก็คนที่อ่านหนังสือออกเนี่ยก็มีไม่กี่คนครับแต่หลังจากที่พวกมิชลีกลับไปที่เอธิโอเปีย4ปีต่อมาปรากฏว่าคิดเจักรไม่เพียงแต่อยู่รอดได้ แต่มีสมาชิกนับหมื่นคนสปีเท่านั้นนะครับจาก48คนเนี่ยผ่านความทุกข์ยากลำบากเขาเติบโตบนับหมื่นคนอีกประเทศหนึ่งครับเป็นประเทศจีนประเทศจีนนะครับณเวลานี้นะครับมีคริสเตียนเนี่ยมากกว่าหนึ่งรล้านคนที่เป็นคริสเตียน หลังจากที่มิชชันรีและองค์กรมิชชันต่างๆเนี่ยถูกขับออกจากประเทศจีนในช่วงสงครามนะครับในช่วงคอมมิวนิสต์ก็คริสเตียนถูกข่มเหงครับมีคนคนหนึ่งชื่อว่าหวังหมิงเต้าถูกจับและถูกจำคุกอยู่เป็นเวลาหลายสิบปีรับการปล่อยตัวมาในที่สุดแต่ว่าขณะที่คริสเตียนถูกข่มเหงถูกจับครับถูกฆ่าปรากฏว่า คนที่เป็นคริสเตียนจำนวนคริสเตียนนั้นเพิ่มมากขึ้นจาก30สิล้านห้าสิบล้านกลายเป็นหนึ่งล้านคนภายในเวลาสี่ห้าสิปีที่ผ่านมาเรามาดูครับว่าอักรทรตเปาโลขณะที่ท่านถูกบังคับให้ออกจากเมืองเทสโลนิกาซึ่งบันทึกอยู่ในกิจการบทที่17ท่านปรารถนาที่จะลู้ข่าวการอยู่รอดของคริสเตียนกลุ่มเล็กๆที่อยู่ที่เมืองเทสโลนิกาและท่านจากเขาพวกเขามา ท่านก็ส่งทิโมธีครับไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรที่เมืองเทสโอนิกาในวันต่อมาทิโมธีกลับมาหาท่านอัครทูตเปาโลที่กรุงเอเธนก็บอกกับอัครทูตเปาโลถึงความเชื่อความศรัทธาความรักของคนเทสโอนิกาที่เป็นคริสเตียนคนเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในด้านความเชื่อแล้วก็ชื่อเสียงเขาเนี่ยก็กระจายไปในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอากยายะ นี่คือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่อัครูดเปาโลนั้นได้มีต่อบรรดาคริสเตียนที่อยู่ในเมืองเทซูนิกาพี่น้องครับคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่ผ่านความทุกข์ยากลําบากผ่านความร้อนความหนาวและเมื่อเขาได้เติบโตขึ้นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งก็คือสําหรับการเติบโตก็คือการสํารวจตัวเองการสํารวจตัวเองท่านอัครูดเปาโล ไม่เคยอ้างความดีความชอบว่าท่านทําให้จํานวนผู้เชื่อมากขึ้นแต่ทางกลับกันครับท่านบันทึกไว้อยู่ในพระบรมเพีีหนึ่งโคลีมาที่สมข้อที่หกบอกว่าข้าพเจ้าปลูกอพรรโลรดน้ําและพระเจ้าทรงทําให้เติบโตข้าพเจ้าปลูกอพรรโลรดน้ําแต่ผู้ที่ทําให้เติบโตคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการสํารวจตัวเองว่าใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนรดน้ําใครเป็นคนที่ทําให้เติบโต เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตคริสเตียนเพียงรับับสถานการณ์ลำบากอยู่ในเอธิโอเปียก็ดีอยู่ในประเทศจีนก็ดีนะครับอาจจะเป็นอุปสรรคขัดขวางความตั้งใจดีของเราแต่นั่นคือการสำรวจตัวเองเพื่อที่เราจะรู้ว่าบางครั้งบางบางคร้านเพื่อนต้องแยกจากกันชั่วขณะหนึ่งแต่พระเจ้าได้ทรงให้เครืจักรของพระองค์เติบโตขึ้นในความทุกข์ยากลาบากทุกประการ ขอให้เราเพียงแต่มีความสัศส์ัืธอและมอบผลที่จะเกิดขึ้นไว้กับพระองค์เพราะงัการสํารวจตัวเองนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากการสํารวจกิดจักรเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากพี่น้องครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพิจารณาตัวเองสํารวจตัวเองพระเจ้ของพระเจ้าในเช้าวันนี้2โครินธ์ที่13ข้อ4ถึงข้อที่8นะครับได้บอกว่าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงชนะสูตรตัวของท่านเองเถิดถ้าไม่สํานึกหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชนะสูตรเพราะนั้นครับคำว่าชนะสูตรนะครับชนะสูตรคือคําว่าพิจารณาคําว่าสํารวจนะครับคำว่าพิจารณาตัวเองก็คือการตรวจสอบตัวเองเหตุผลที่เราจะต้องสํารวจตัวเองครับก็คือเพื่อตรวจสอบความเชื่อแท้ ตรวจสอบความเชื่อแท้ว่าความเชื่อของเราที่มีอยู่ในพระเจ้านั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงความถูกต้องตามพระเจ้ะของพระเจ้าหรือไม่ความเชื่อแท้คือความเชื่อที่ถูกต้องครับความเชื่อแท้คือความเชื่อที่ชวมเชื่อที่ออกออกจากใจของเราความเชื่อแท้เป็นความเชื่อศรัทธาเป็นความเชื่อฝังเป็นความเชื่อที่สำแดงออกด้วยการกระทาเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบครับเพราะฉะนั้น หลังจากที่เราตรวจสอบแล้วเรากลับมาดูพัมพีพัมพีใช้คําว่า examine examine แปลว่าตรวจสอบนะครับภาษากรีกนั้นใช้คําว่า pyrazo มีความหมายว่าให้ค้นอย่างละเอียดครับค้นให้ท่วนทีสํารวจนะครับอย่างดีตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องตรวจสอบชวิตของเราพิจารณาชวิตของเราสํารวจชวิตของเรานั้นต้องใช้ความละเอียดอ่อนมาก เพื่อที่จะตรวจสอบว่าแรงจูงใจนะครับเป็นอย่างไรทัศนคติที่เรามีอยู่และการให้คุณค่าของสิ่งต่างที่เราทำนั้นเป็นอย่างไรการตรวจตรวจสอบตรงนี้นะครับทำให้ชีวิตของคริสเตียนนั้นจำเป็นที่จะต้องรับการพัฒนาหลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะครับเราเคยคงจะเห็นรู้จักคำว่า s ว o t นะครับก็คือการตรวจสอบตัวเองมาจากคำว่าสเตรนจ์นะครับ s w o t strength witness o p ก o r t u n i t y และ t รัพยนะครับก็คือความเข้มแข็งความอ่อนแอโอกาสและภาวะคุกคามสีประการเนี่ยถ้าเราสามารถตรวจสอบชีวิตของเราได้ชีวิตคริสเตียนของเราก็จะสามารถเติบโตและพัฒนาได้ตามน้ำมระไถยของพระเจ้าต่อไปเหตุผลที่ต้องตรวจสอบประการต่อไปก็คือว่าเพื่อทำให้กระจ่างการทำให้กระจ่างนั้นก็คือการวิเคราะห์ แยกแยะนะครับภาษาอังกฤษเช็คก็ว่า analyze ก็คือการวิเคราะห์แยกแยะทําให้กระจ่างโดยการแยกแยะอารมณ์ออกจากเหตุผลแยกแยะความจริงออกจากความเท็จเปิดเผยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเบื้องลึกเพื่อที่จะนํามาถึงการกลับใจเพื่อที่นํามาซึ่งการพัฒนาตัวเองเพื่อที่นํามาซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์แบบใจต่อใจกับพระเยซูมัทธิวบทที่7ข้อ20นะครับได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้ เพราะผลของเขาเหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขามีตัวอย่างหนึ่งครับอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาได้เข้ามาหาอาจารย์ท่านหนึ่งและเขาเป็นคนที่มีความสามารถสูงครับเป็นคนที่ทํางานหนักเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้นัดอาจารย์มิชิลีท่านนี้เดิมทีอาจารย์มิชิลีท่านนี้คิดว่าคงชายหนุ่มคนนงนี้คงจะมีกรณีปรึกษาพิเศษเกี่ยวกับคนอื่นๆแต่เมื่อทั้งสองพบกันปรากฏว่า ชายหนุ่มที่ชาญฉลาดและประสบความสำเร็จอย่างสูงนี้ได้ถามอาจารย์มิจฉรีผู้รับใช้ท่านนี้เกี่ยวกับปัญหาของตัวเขาเองปัญหาของตัวเเองคืออะไรครับขณะที่เขาทํางานเก่งเขารับใช้เจ้านะครับมีตําแหน่งในสังคมในโบสถ์ในในองค์กรต่างๆที่เขารับใช้อยู่เป็นคนที่มีชื่อเสียงดีรับการยกย่องมากแต่สิ่งที่เขาขอจากอาจารย์ท่านนั้นคือ ผมมีความสงสัยเกี่ยวกับจิตวิ ญ, ญญาณของผมว่าผมอาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่ผมอาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่พี่น้องครับเป็นเลือกที่หนักหนาสาหัสนะครับสำหรับคนที่รับใช้พระเจ้าแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่มีความสงสัยไม่มั่นใจในความเชื่อของเขาการมั่นใจในความรอดหรือการมั่นใจในความเชื่อนั้นเป็นที่สาคัญมากสาหรับผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้ที่ติดตามพระเยะซู คำว่าผมสงสัยว่าผมยังไม่บังเกิดใหม่พ่อแม่ของผมทําให้ผมเป็นคริสเตียนตอนเป็นเด็กทารกพาไปโบสถ์พาพาให้รู้จักกับคนในคริสตจักรแต่คนในคริสตจักรต่างก็คิดว่าผมเป็นคริสเตียนผมเป็นครวัวีผมเป็นอนุชนเป็นคนที่มีตําแหน่งในคริสตจักรเพราะคนรอบข้างส่งเสริมผมแต่ไม่เคยมีใครถามผมจริงว่าความสัมพันธ์ของคุณ กับพระเจ้าเป็นอย่างไรไม่เคยมีใครถามผมอย่างนี้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าเป็นอย่างไรพี่น้องครับความเชื่อความศรัทธาของเราที่มีต่อพระเจ้านั้นพระผีบอกว่าให้ตรวจสอบความเชื่อของเราความเชื่อของเราที่ที่ศรัทธาในพระเจ้ากลายเป็นความเชื่อที่มีความเชื่อฟังความเชื่อที่ยอมทาตามหรือไม่ พีนับมิชชันรีหลายคนในประวัติศาสตร์นะครับหลายหลายท่านหลายหลยคนออกไปเป็นมชชิชชันรีในต่างแดนครับในขณะที่เขากลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมาพักผ่อนภาษาอังกฤษเช็คว่ามาเฟอร์โลนะครับสปีนะครับเขาจะพักผ่อน1ปีนะครับเป็นปีที่ห้าหลังจากนั้นปีที่6 ก, ก็จะกลับมารับใช้จนปีที่9และปีที่10ก็จะพักผ่อนก็เรียกว่า1นึ่เฟอร์โลสอเฟอร์โลเฟอร์โลของมิชชันรีนั้นเป็น ยุคมิชินรีสมัยใหม่นะครับถึงจะมีเฟอร์โลมิชิลีสมัยเก่าเนี้ยไม่มีเฟอร์โลครับเพราะว่าการเดินทางเนี้ยมันเต็มไปด้วยความยากลําบากเขาต้องนั่งเรือมาในสมัยก่อนก็เป็นเรือสําเภาเรือใบนะครับต่อมาก็เป็นยุคเรือกลไฟนีคนเหล่านั้นที่ออกมาในประเทศไทยประเทศจีนนะครับเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้านะ่ยต่างก็ไม่ค่อยมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนนะครับยกเว้นแต่10บปีนะครับสิปีถึงจะได้กลับไปครั้งหนึ่ง เรีว่าเฟอลอเหมือนกันพี่น้องครับมิชรีหลายคนนะครับนึกว่าตัวเองเป็นผู้ประกาศขา่าวดีเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐแต่หลายคนในะขณะที่กลับบ้านในระหว่างเฟอลอนั้นเกาได้กลับใจมแม้จะบังเกิดใหม่ในระหว่างการรับใช้พระเจ้าเขาเขียนนะครับเป็นเดอรี่เป็นสมุดบันทึกและหลายลคนก็แต่งเพลงครับออกมาเป็นเพลงนมัสการพระเจ้าจากการบังเกิดใหม่นั้นเพราะฉะนั้นการรับใช้พระเจ้าไม่ได้หมายความว่า เราจะเป็นคริสเตียนแท้การรับใช้พระเจ้าด้วยความแข็งขันหรือตำแหน่งของเราอะไรต่างๆนะครับในโบสถ์ในองค์กรต่างๆนั้นที่เป็นคริสเตียนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่เป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับมีตัวชี้วัดนะครับซึ่งผมอยากจะนำเสนอให้พี่น้องในเช้าวนันนี้อยู่แดตัวชี้วัดด้วยกันครับ ตัวชี้วัดแปดตัวนี้นะครับทําให้เรารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนแท้หรือเปล่าเราดํารงชีวิตอยู่ในความเชื่อแท้หรือเปล่านะครับตัวชี้วัด ต, ตัวแรกก็คือชีวิตและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับในสุจิบัตรของเรานะครับก็จะมีช่องที่ให้พี่น้องได้มีโอกาสบันทึกนะครับผมไม่ได้เอาพงพี นะครับเข้ามาอยู่ใน powerpoint นี้แต่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสจดนะครับข้อ ผ, ผีข้อแรกนะครับอยู่ในพระธรรม2โครินบทที่5ข้อ17นะครับ2โครินบทที่5ข้อ17นะในพระธรรม2โครินบทท5ข้อ17นี้หลายหลยายท่านท่องได้โดยพาหญิงเด็กละวีนะครับท่องไดนะ้ผมอาจจะอ่านให้ฟังนะครับพี่น้องจะคุ้นคุ้นหูสักหน่อยนะครับ2โครินบทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไป น, น, งนี่นี่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสรพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปและ น, น, นี่นี่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องครับชีวิตของคริสเตียนนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงเป็นชีวิตใหม่นะครับ ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่1ข้อที่6ได้บอกว่าถ้าเราจะว่าเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจรงิง1ยอนบทที่หนึ่ข้อ6นั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคนที่อยู่ในพระเยซูนะครับคนที่มีความเชื่อแท้คนที่ต้องตรวจสอบตรวจสอบอะไรบ้างตรวจสอบชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ชีวิตของเราเนี่ยหลังจากที่พระเยซูได้เสด็จเข้ามานะครับในรูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชวิตของเราแล้วเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าตอนที่ผมอธิษฐานนะครับคําำนึงก็คือว่าชําระให้บริสุทธิ์เราอยู่ในกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ชีวิตของเราเปรียบเทียบกับต้นปีที่ผ่านมานี้ในปีในวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนที่หคือเดือนมิถุนาซึ่งถึงภาวะ ถึงถึงเวลาครึ่งปีแล้วนะครับรวดเร็วมากเลยนะครับสําหรับคนที่มีความสุขรวดเร็วมากนะครับแต่ว่าครึ่งปีแล้วเราได้เติบโตบชีวิตของเราได้เปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนครับชีวิตของเราเนี่ยได้รับการสัมผัสแตะต้องที่มาจากพระเจ้ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่เป็นประการแรกเพิ่มพีได้บอกไว้นะครับถ้าผู้ใดอยู่ในประคริดผู้นั้นก็เป็นที่ถูกสร้างใหม่แล้ว ในภาษากรีกนะครับไวยากรณ์ภาษากรีกว่าการสร้างใหม่เนี่ยมันไม่ได้สร้างเฉพาะวันเดียวคืนเดียวหรือเดือนเดียวปีเดียวแต่เป็นการสร้างนในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคตก็ เ, เรียกว่าเป็น present continuous tense หมายความว่าคือเป็นไวยากรณ์ที่บอกถึงการสร้างนะครับกำลังสร้างอยู่และจะสร้างต่อไปเพราะฉะนั้นเราคนที่เราเป็นคนที่ถูกสร้างนะครับกำลังถูกสร้างและ กำลังจะถูกสร้างต่อไปสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปและนี่เนี่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับนี่เป็นประการแรกประการที่2ก็คือตัวชีวัดที่สองก็คื อ, ช, อ, คอชีวิตที่เชื่อฟังครับนะครชีวิตที่เชื่อฟังนั้นก็คือเป็นตัววัดว่าเราเชื่อฟังพระกัมภีร์เราเชื่อฟังคําสอนที่อยู่ในพระเจ้านาคพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนนะครับชีวิตที่เชื่อฟังนั้นทําให้เรารู้ว่า เรานั้นเป็นลูกแก่ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเมสสปูดกของพระเจ้าพี่น้องครับการดูแลจิตวิ ญ, ญญาณในขิตรากรนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมีทัศนคติของการเชื่อฟังพระเจ้านะครับการเชื่อฟังพระเจ้าทําให้คนเติบโตการเชื่อฟังพระเจ้าทําให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เองครับทำให้เรารู้ว่าในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่แปดนะครับก็เช่นเดียวกันพระผีบอกว่าถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยแต่ถ้าเราสรารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและที่ยังรมก็ทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชรําระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นเพียงการเชื่อฟังนั่นเป็นการเชื่อฟังที่เราทั้งหลายจะต้องทําตามครับต่อไปครับชีวิตที่อดทน ภาษาังกฤษช้คว่า perseverance ชีวิตที่อดทนนั้นเป็นชีวิตที่รับความรักของพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าความรักนั้นก็อดทนนานเพราะฉะนั้นการที่เรารักพระเจ้านะครับเราอดทนอดทนไม่ใช่อดทนกับพระเจ้านะครับอดทนกับคนอื่นๆ อ, อดทนกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราอาจจะเป็นความทุกข์ยากลําบากนะครับหรือตัวเร่งต่างๆ ต, ต, ตัวกระตุ้นต่างๆที่ทําให้เรามีความรู้สึกเครียดกังวล สิ่งต่างเานี้ครับที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องอดทนโดยเพราะยิ่งยิ่งอดทนในเรื่องของการรักษาความเชื่อนะครับหลายครั้งทีเดียวชีวิตของคนที่เชื่อในพระเจ้านะครถูกข่มเหงนะถูกดูถูกนะถูกลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเรารับไม่ได้นั้นนี่คือการอดทนและการอดทนนั้นเป็นตัวชี้วัดเมื่อเรายิ่งอดทนได้มากขึ้นเท่าไหร่เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้มากขึ้นเท่านั้นพี่น้องครับ อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเรายิ่งอดทนมากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้มากขึ้นเท่านั้นประการที่สี่ครับเป็นชีวิตที่ไม่ละอายเห็นครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าใครก็ตามที่รับนะรับเราเราจะรับผู้นั้นนะฮะในหนึ่งยอนบทที่สองเขายีบบอกว่าทุกคนที่ปฏิเสธพระบุตรไม่มีพระบิดานะครับ ทุกคนที่ปฏิเสธพระบุตรก็ไม่ยอมรับพระบิดาในขณะเดียวกันผู้ที่ยอมรับพระบุตรก็มีพระบิดาด้วยนี่คือสิ่งที่พระมพีหนึ่งยอห์นบทที่สองเขายี่นะครับได้กล่าวไว้คนที่ยอมรับพระเยซูเขาก็ยอมรับพระบุตรพระบิดาคนที่ปฏิเสธพระเยซูก็ปฏิเสธพระบิดานะครับอันนั้นเป็นประการที่สครับก็คือตัวชี้วัดที่บอกว่าชีวิตเรานั้นต้องไม่ละอายในการประกาศว่าเราเป็นคริสเตียน ต้องไม่ละอายในการประกาศข่าวประเสริฐครับเวลาที่เราพบกับคนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับถึงเวลาในการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยนะครับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะ ก, กระตุ้นเราเราก็จะมีภาระใจว่าอืมเราทุกควรจะเล่าข่าวประเสริฐให้กับคนที่อยู่ข้างๆฟังเพียงครับเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปกลุ่มแคร์นะครับเราพบว่าคําพยานของพี่น้องที่มารับเชื่อพระเจ้าเนี่ยสุดยอดครับ เพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนพูดเรื่องพระเยซูนะครับมีคนชวนมาโบสมีคนชวนมากลุ่มแคร์นะครับแล้วจากการที่เข้ามาโบสมากลุ่มแคร์เขาได้สัมผัสกับพระวิญญาณบ ร, ริสุทธิ์พระวิญญาณบ ร, ริสุทธิ์ได้เร่งเร้าเขาให้เขาต้อนรับพระเยซูพวกเราก็ได้มีโอกาสฟังนะครับว่าตอนที่เขาต้อนรับพระเยซูนะครับพี่น้องหลายท่านที่ต้อนรับพระเยซูเป็นพยานบอกว่าเมื่อต้อนรับพระเยซูเดิมไม่ได้เป็นคนที่เจ้าน้ําตานะครับแต่พบกับความรักของพระเจ้า น้ำตาของเขาเนี่ยนะครับก็ไหลไหลออกมาเรื่อยๆแลนี่คือความซาบซึ้งและเป็นสิ่งสิ่งที่ว่าเป็นหมายสําคัญของการบังเกิดใหม่พี่นะครับเป็นหมายสําคัญของการบังเกิดใหม่แต่ว่าทุกคนที่บังเกิดใหม่นะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่บังเกิดใหม่จะต้องร้องไห้เหมือนกับพี่น้องท่านนี้นะครับแต่ว่าทุกคนที่บังเกิดใหม่เนี่ยชีวิตของเขาจะเปลี่ยนครับทุกคนที่บังเกิดใหม่เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะพูด ข่าวประเสริฐทุกคนที่มันเกิดใหม่เนออี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะยอมเชื่อฟังและทุกคนที่มันเกิดใหม่เนี่ยเขาจะประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่ขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ตายแล้วนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงฟังคําอธิษฐานของเราได้พระเจ้าให้การเปลี่ยนแปลงนําการเปลี่ยนแปลงเมือนชีวิตของเราได้และเรารับพระเยซูเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด และเราจะไม่เชื่อฟังพระองค์เชียวหรือและพระองค์ได้ประทานบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นการข่มเหงความทุกข์ยากลาบากนะครับหรืออะไรก็ ต, ตามเราต้องอดทนและเราต้องไม่หยุดครับที่จะประกาศข่าวประเสรศิฐไม่หยุดที่จะเป็นพยานไม่หยุดที่จะเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้กับคนอื่นฟังพี่น้องที่รับเชื่อในพระเจ้า เ, เกิดจากการที่มีพี่น้องอีกท่านหนึ่งนะครับ ได้ประกาศเขาประเสริฐให้เขาพาเข้ามากลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์นะครับตัวชีวัตที่5ครับชีวิตที่บริสุทธิ์พี่น้องครับชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นชีวิตที่ไม่ใช่ว่าปราศจากบาปไปเสียทีเดียวนะครับแต่เป็นความหมายว่าบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆตัวชีวัตตัวนี้เป็นตัวชีวัตที่ค่อนข้างยากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวคนที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับเขาอาจจะกลับไปทําบาปบางสีบางอย่างได้ เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับจะต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่ตลอดเวลาการที่มีชีวิตนะครับอยู่ภายใต้การติดต่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในการอ่านพระวจนะของพระเจ้านี่ทำให้คนที่เป็นคริสเตียนนั้นเติบโตและเมื่อคนที่เป็นคริสเตียนเติบโตนั้นตัวชี้วัดนะครับตัวที่ห้าที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉอ น, นถามตัวเองกลับไปนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่เรามีอยู่เนี่ย ถามตัวเองนะครับว่าชีวิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าชีวิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าสิ่งที่เราเคยคิดเคยทำนะครับที่ไม่ดีไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะ เ, เราเรายีขึ้นหรือเปล่าเราเลิกทำหรือเปล่านะครับนี่คือชีวิตที่บริสุทธิ์ครับและประการที่หกครับชีวิตที่มีสามมิติทำพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเนี่ยมีเรื่องตลกนะครับ มีเรื่องเรื่องตลกของที่แจกวัฒนาก็คือก็คือกังเขนของที่แจกวัฒนานี่เป็นกังเขนโมเดลนฮะเป็นเงินเขนโมเดลก็คือว่าทางแนวดิ่งเนี่ยจะยาวใช่ไหมครับทางแนวขวางเนี่ยจะสั้นนะก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสามก๊กทำระหว่างเรานะครับกับพระเจ้าเนี่ยเป็นไงครับดีนะฮะแต่บางทีนี้สามก๊กระหว่างเรากับคนอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนะ นี่เป็นโจกนะครับเป็นตลกที่ผมได้ฟังมาเพราะฉะนั้นน่าคิดครับการที่เราจะมีตัวชี้วัดที่มีสามัคคีธรรมสำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะสามคัคมมีอยู่สองแบบก็คือแนวดิ่งเรากับพระเจ้าและแนวอะไรครับแนวแนวราบก็คือเรากับพี่น้องเรากับคนอื่นๆมีการเปรียบเทียบนะครับว่าทางซ้ายนะครับทางซ้ายก็คือกับคนที่เป็นคริสเตียนกับพี่น้องของเราทาง ขอโทษนะทางซ้ายทางซ้ายนะของผมทางขวาก็คือกับคนที่ไม่เชื่อกับคนนอกกับคนที่ไม่เชื่อนี่คือกังเขนสองข้างนะครับการเปรียบเทียบตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงเรื่องของการสัมคีธรรมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าแนวดิ่งครับเราต้องยาวนะและแนวราบเราก็ต้องยื่นออกไปเหยียดออกไปเหยียดออกไปพี่น้องครับการมีสามคีธรรมนะครับมีชีวิตที่มีสัมคีธรรมเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ของการเจริญเติบโต เป็นสิ่งที่เราต้องสํารวจตัวเองเสมอว่าเราเองนั้นมีสามัคธรมกับพี่น้องมากน้อยขนาดไหนนะครับประการที่7ครับชีวิตที่อยู่ภายใต้การทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตที่อยู่ภายใต้การทรงนําของวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากเพราะที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีผลของพระวิญญาณครับและคนนั้นเนี่ยเมื่อเข้าดําเนินชีวิตนะครับเขาไม่ใช่ดาเนินชีวิตแบบหลักการอย่างเดียวแต่เป็นการดําเนินชีวิต ด้วยความสัมพันธ์กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับคริสเตียนเรานะครับเรียกว่าเป็นอินเทเมซีอินเิเมซีคือความเฉลินมฉลอนะครับความใกล้ชิดการพูดคุยกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาการคิดถึงพระเจ้าได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นการเตือนตัวเองนะครับแต่นี่เป็นการดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หลายใครั้งทีเดียวเมื่อเราตั้งใจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามเราไว้ หลายครั้งทีเดียวเราทำไม่ยังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ช้าก่อนหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราจะต้องการบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าพระเจ้าก็เปิดเผยสำแดงนี่คือความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชึวิเราจะเกิดผลพระวิญญาณแน่ครับแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้สําคัญมากก็คือเราจะต้องถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ถามพระเจ้าตลอดเวลาเพราะพระวิญญาณบริสุทธ ในแหลกทิจักเนี่ยไม่อยากพูดถึงเรื่องผู้วิญญาณไปสุดเพราะกลัวว่าผู้วิญญาณสุดนี้เวลามาสติดกับใครเนี่ยจะออกอาการแปลกๆพี่น้องครับเราไม่ต้องกลัวครับนะผู้วิญญาณไปสุดเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราใครก็ตามที่มีพู้วิญญาณไปสุดอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เองว่าพระวิญญาณห้ามพระวิญญาณห้ามพูดผู้วิญญาณห้ามทำผู้วิญญาณดนใจให้พูดพู้วิญญาณดนใจให้ทํานี่คือความสัมพันธ์ในระดับของ ในระดับอินทตอร์เมซี่คือความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์พี่นะครับเสียดายที่หลายาหลายท่านหลายหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงจุดที่มีความสัมพันธ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, ก, นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายครั้งทีเดียวนะครับเรารู้จักพระเจ้าด้วยเฮทก็คือด้วยหลักการด้วยหลักคําสอนด้วยความรู้แต่ทําไงที่ให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในฮาร์ทของเราอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในความรู้สึกของเรา น, นั่นคือเราจะต้องมีความสัมพันธ์สนิทสนมลึกซึ้งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สุดท้ายครับชีวิตที่ยอมจำนวนชีวิตที่ยอมจำนวนนั้นภาษาอังกฤษใช้ควาว่า commitment com การยอมจำนวนนั้นเป็นการปรวนทตัวครับเป็นการยอมผูกพันตัวเองกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปและเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราทำยังไงเราก็จะทาอย่างนั้นเราจะไม่เลือกทาจนกว่าจะสเร็จ นี่คือสิ่งที่ใช้คำว่ายอมจำนวนนะครับการมีชีวิตที่ยอมจำนวนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าคนคนนี้เป็นของพระเยซูคนคนนี้เป็นของพระเยซูพเพื่อที่เขาได้ปรนนนาตัวทำนะครับทุกอย่างปรารถนาที่จะทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าต้องการเพราะฉะนั้นแปดตัวชี้วัดนี่นะครับเราจะต้องมาตรวจสอบ เราต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะฉะนั้นการตรวจสอบนี่นะครับมันเกิดขึ้นทุกวันนะครับตอนเช้าที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าการตรวจสอบเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์การตรวจสอบเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราฟังคําเทศนาการตรวจสอบเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราอธิษฐานส่วนตัวพี่น้องครับชีวิตอย่างนี้ครับเป็นชีวิตที่เราจะต้องสํารวจตัวเองและพิจารณาตัวเองว่าเราอยู่ในมันคาอยู่ในทางนี้หรือไม่ สุดท้ายครับข้อที่เจของ พ, อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้ล ก, กล่าวงนี้ครับว่าเราอาธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านหลายจะไม่กระทําชั่วใดๆไม่ใช่ว่าเราจะให้ปรากฏว่าเราชนะการชนะสุดแต่เพื่อท่านจะพฤติเป็นที่ชอบพี่น้องครับในการตรวจสอบตัวเองนั้นเราต้องตรวจสอบตัวเองก่อนแต่เมื่อเราทุกคน ตรวจสอบตัวเองเนี่ยเราจะเห็นจุดอ่อนของเรานะครับการตรวจสอบตัวเองเนี่ยสมควรเกิดขึ้นครับและสมควรเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับเมื่อเวลาตรวจสอบตัวเองนั้นเราจะรู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อนของเราอะไรเป็นจุดแข็งของเราอะไรเป็นโอกาสของเราในการที่เราจะรับพระเจ้าให้กว้างไกลมากกว้างขวางมากยิง่าากกงขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการในกันอะไรที่ทําให้เกิดภาวะคุกคามในชีวิตของเรา พีน่นครับเวลาตรวจสอบตัวเองเนี่ยเราจะต้องกลับไปแล้วอธิษฐานครับอธิษฐานเพื่อกันแลกกันเพื่อการแลกกันเพื่อที่ว่าเราต่างฝ่ายต่างก็จะไม่ทำผิดไม่ทำผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทำผิดต่อกันแลกกันและพระบีดบอกว่ามิใช่เพื่อพิสูจน์คำสอนแต่พิสูจน์การกระทำคำสอนดีครับแต่การกระทำบางทีเราอาจจะทาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบตลอดเวลาว่าเราได้ทําตามที่เราสอนเราพูดจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะต้องอธิษฐานเบื่กันแล้วกันพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานเผื่อพี่เลี้ยงของเราพี่เลี้ยงของเราอธิษฐานเผื่อเราเราต้องอธิษฐานเผื่อศิษย์บานทีมงานนะครับมัคคณายกผู้ปกครองคณะธรรมกิจอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันเพื่อที่เราจะไม่ทําผิด พระพีบอกชัดนะครับว่าการที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองสำรวจตัวเองนั้นไม่ทําผิดเพื่อที่จะไม่ทําผิดไม่ทําผิดเลยครับไม่ทําผิดโดยการพิสูจน์การกระทําว่าอืมเราไม่ได้ทําผิดพี่น้องครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะยกข้อความของคุณมนตรีสอนพิสารคุณมนตรีนี่เคยมาเป็นพยานที่บทของเราในช่วงคริสต์มาสสองสามปีที่ผ่านมาท่านเขียนไว้นะครับบอกว่า น่าสนใจมากสิ่งที่น่ากโกรธของเราก็คือความโกรธสิ่งที่น่ากโกรธของเราก็คือความโกรธท่านเขียนงนี้ครัว่าปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองของเรานั้นนะครับที่ที่ผ่านมาก็คือการถูกทําให้เกิดความแตกแยกด้วยการไม่ให้คนรับรู้ข้อมูลที่เท่าเทียมกันและท่านเขียนบอกให้ว่าสิ่งน่ากโกรธก็คือความโกรธ สิ่งที่เราได้รับข้อมูลที่ไม่เท่ากันไม่เท่าเทียมกันทำให้เราอาจจะเข้าใจผิดและโกรธกันถูกไหมครับในพระานะของพระเจ้านะครับท่านเขียนไว้อย่างนี้ว่าหลักธรรมนะครับนี้ละเอียดอ่อนก็คือคำสอนของพระเยซูนะครับพระเยซูสอนอย่างนี้ครับว่าท่านหลายได้ยินคำกล่าวไว้คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าบุตดฆ่าคนต้องถูกพิพากษาลงโทษ เราบอกท่านหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นต้องถูกพิพากษาลงโทษเราเคยดีนะครับโกรธคือโง่โมโหคือ oh, บ้าใช่ไหมครับโกรธคือโง ộ, ่โมโหคือบ้าแต่พระเยซูยบอกว่าโกรธคือฆ่าโกรธคือฆ่าฆ่านะครับขอละคังนะครับไม่เอกสะอาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเรานะครับผมอย่า ย, ก, ายากตัวอย่างจาก enfin บทความของคุณมนตรีสมเยสารเนี่ยบอกว่าโกรธคือฆ่า พ, พี่นะครับพัมพีสุภาษิตบทที่27่็ดข้อหบอกว่าบาดแผลที่มิตรธรรมนั้นก็เจตนาดีแต่การจุบของศัตรตูนั้นมากเกินความจริงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสํารวจตัวเองเสมอครับพิจารณาตัวเองเสมอว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรในชีวิตของเราครับพระเจ้ามีหน้าทัยอะไรในชีวิตของเราและแปดตัวชี้วัดที่ผมได้นําเสนอกับพี่น้องในเช้า ว, วันนี้ มีข้อความพิธีที่ได้อธิบายไปแล้วพ้ะแม่ ร, รู้ว่าเราจะต้องประเมินตัวเองครับประเมินตัวเองและอะไรครับและแสดงออกว่าเรามีผลที่ดีที่เหมาะสมภาษาอังกฤษว่า showing the proper fruits หมายความว่าเราจะต้องแสดงถึงผลในการประกอบการดีเราต้องตระหนักรู้และเราต้องรู้จักตัวเองเพื่อที่เราจะจำเริญขึ้นในทางของพระเจ้า ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพิจารณาตัวเองตลอดทั้งเดือนนะครับที่กำลังจะมาถึงนี้อาเมน